มันมีคลิกลไรแอเรนซอนอยู่เป็นพลังที่ลึกลัดเป็นพลังจะวใจบบตานไกเปิดตา้าข้างในอาจะรู้ความจริงเปข่าวหน้ากลุโดยดังตริ่ น, นตอนที่26ในเพอ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 คือไม่มาร่วมนั่งเถียงแล้วแต่ถึงขั้นสามารถใช้วิชาอาคมเล่นกับพูดผีปีศาจข้ามพกข่ามิติหาไรายได้เข้ากระเป๋ากันอย่างสนุกมือตามหลักวยศาสตร์ถ้าใครทำกูมานทองสำเร็จก็จะได้เป็นนายของผีชุบเลี้ยงเพื่อใช้งานสารพัดยิ่งกว่าค่าทาสที่ทั้งเก่งทั้งขยันหลายร้อยเท่าและคนจะทาได้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 ได้ทำข้อตกลงกับพระพุทธเจ้าไว้ว่าที่บวชเข้ามามิใช่อะไรอื่นนอกจากท ร, รมรคนิพพานให้แจ้งกระทำทุกข์ให้ถึงที่สุดจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพ่แก่ญาติโยมสืบไปส่วนที่ว่าจะประกอบพิธีเกี่ยวกับศพเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านอย่างไรคงไม่ควรเอาศพมาใส่จานตากแดดให้เห็นเป็นแบบประเจิดประเจิแบบนี้แน่ครับ ไม่ใช่แค่เปียงภาพล่วงตาอย่างนี้ทุกบนความจากจมิทยาศาลทำมากล้ตัวฉบับที่46เสียงอ่านโดยโจโช ร, รบสวรรณ์ที่ใจอยู่ที่ไหนมืไกล้กลิกล้าเธอตักคืนเธอก็ได้เจอแต่ทูกครั้งเธอไม่สนใจเอง ที่เธอไร้ร่างกายจนสุดท้ายาเธอจะเหลือแค่เพียงใจไอ้ลองคิดเธอจะไป ความจริงมันคือผลถ้าใจใจเธอที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่อาจจำลองของใจดีหรือใดซ่อนไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอยงไรแต่กความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่ ถ้าพูนตาอย่างมีทุกสุกใจสุขกายมือ